วันนี้ก็วันที่ห้านะของการบำเพญ็ญนะเรียกว่าบุญกุศล น, นะตามประเพณีนะถ้าชาว บ, บ้านเรียกว่าการบาเพ็ญบุญกุศล น, นะแต่ว่าของเราเรียกว่างานละสังขารนะของหลวงพ่อคำเขียนนะเวลาก็ผ่านไปเร็วมากนะอีกปุ๊บเดียวนะก็จะถึงวันที่จะปรงสริลักษณของท่านคือวันที่6ก็เป็นที่คาดการว่า คนจะมากันเยอะในวันที่หกเชื่อว่าเป็นหลักพันแต่ว่าไม่รู้ว่าพันต้นๆหรือว่าพันกลางๆนะแล้วก็จำนวนไม่น้อยนะก็คงจะมาค้างคืนวันที่ห้าก่อนที่จะร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญในวันที่หก ซึ่งจะเริ่มมีการเคลื่อนย้ายสรีระของท่านนะตอนบ่ายอาจจะหลังเที่ยงตอนนี้ก็ถ้าคิดว่าประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์มาค้างคืนวันที่วันที่ห้าก็เชื่อว่าจะมีปัญหาเรื่องที่พักแน่ไม่ว่าที่นี่หรือว่าที่วัดภูเขาทองที่พักอาจจะไม่พอเพียง เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กับคนที่รู้จักที่เขาตั้งใจว่าจะมาคารวะหรือมาร่วมพิธีปลงศพหลวงพ่อว่าให้เตรียมตัวนะพึ่งตัวเองให้ได้พยายามพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะเช่นอาจจะมาถ้าจะมาพักที่วัดก็ ควรจะเตรียมเต็นท์เครื่องนอนมาด้วยหรือว่าถ้าไม่แน่ใจว่าวัดจะมีที่พอไหมนะก็อาจจะต้องอจองหาที่พักแถวรีสอร์ทหรือว่ า, ากิจการต่างๆที่อยูอ่รอบวัดนะ จะเป็นที่บนเขาก็ดีบนหลังเขาก็ดีหรือว่าข้างล่างแก้งคร้อชายภูมิหรือแม้แต่โรงแรมนะที่ชายภูมินี้ก็ก็ต้องเตรียมตัวน ะ, อะจองแต่เนินๆนะบอกเพื่อนๆเอาไว้นะว่าถ้าไม่แน่ใจว่าที่นี่จะมีที่พักหรือไม่ไม่ว่าที่วัดป่าสุกโตหรือว่าวัดภูเขาทอง ที่จริงก็เผื่อโรงเรียนไม่ได้วยแลนะโรงเรียนโรงเรียนถ้ามาไฟหวานเผื่อไว้แล้วสำหรับเป็นที่พักแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสะดวกแค่ไหนส่วนสบายนี่ไม่ต้องพูดถึงนะมันคงจะไม่สบายเท่าไหร่นะได้อย่างมากคือสะดวกแต่ทําให้แน่ใจก็ถ้าไม่แน่ใ จ, นใจว่าจะ มีที่พักไหมหรือว่าจะมีที่กางเต็นท์ไหมก็ให้แจ้งให้จองนะหาที่พักกันเองแต่เนิน่นๆนะตอนนี้ก็ได้ทราบว่าเริ่มมีการจองที่พักกันแล้วนะเพราะกลัวว่าจะอาทิตย์อาทิตย์หน้าคงจะหาอาจจะไม่มีที่จองให้ให้ให้จองแล้วในบริเวณใกล้ๆนี้ในเรื่องการเดินทางก็ ถ้าหากว่าใช้รถกันให้น้อยลงจะเรียกว่าใชา้รถคันเดียวกันแต่ว่ามากันหลายๆคนก็จะดีเพราะว่าปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนอกจากปัญหาที่พภาคคือปัญหาที่จอดรถก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในวันที่6กันยานมา รถโดยสารก็ดีนะรถบัสก็ดีอันนี้ก็จะประหยัดที่ได้เยอะหรือว่านั่งกันมาหลายๆคนนะตอนนี้ก็กําลังเตรียมการกันนะอย่างไม่ได้รีรอเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องทําหลายอย่างที่ต้องเตรียมการนะเวลาสิบวันมันก็จะเร็วมากนะอ่า จริงๆ 10-15 วันที่เขาถือว่ามากสำหรับหลวงพ่อนะท่านอยากให้จัดไม่กี่วันแต่ว่าพวกเร า, ารู้ว่าเวลาไม่กี่วันเนี่ยมันไม่มีเวลาเตรียมการนะแค่จะปรับปรุงเมนนะให้ให้ดีพอที่จะรับรองนะการปรุงสรีละหลวงพ่อก็ต้องใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์ เดิมทีหลวงพ่อตั้งใจนะว่าจะให้ใช้เมลลอยหรือว่าใช้แบบเผ า, าเชิงตะกอนไปเลยแต่ต่อหลังท่านเปลี่ยนใจนะเพราะว่าท่านคงถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ปรับปรุงเมนไปด้วยเพราะว่าเมนก็เมนว่าผูเขาทองก็สุดโทมไปมาก การที่ท่านเลือกให้มาปรุงสรีละของท่านที่เมนเนี่ยก็ทำให้มีความจำเป็นต้องมาปรับปรุงเมนกันนะซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็ประโยชน์กับคนรุ่นหลังนั่นแหละที่จะมาใช้เมนท่านคงรู้ว่าถ้าถ้าทาถ้าไม่ใช้ที่นั่นใช้เมนลอยหรือว่าเผากางแจ้งนะลูกศิษย์ก็คงจะทำให้ดีนะก็กลายเป็นการสิ้นเปลืองเข้าไปอีกนะ ก็กลายเป็นว่าเมนเก่าก็ไม่ได้ปรับปรุงส่วนที่ใช้ปรุงสลีล่าของท่านก็ใช้ชั่วคราวแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลิกไปก็กลายเป็นความสิ้นเปลืองหลวงพ่อท่านคิดละเอียดมากนะแม้กระทั่งว่าท่านให้เคลื่อนย้ายสลีล่าของท่านไปที่ภูเขาทองแทนที่จ ะ, จะทําที่นี่ทั้งทังที่อัฐินะท่านก็ตั้งใจจะเก็บไว้ที่นี่ เขาท่านรู้ว่าถ้าจัดงานสอบที่สุกโตนี่ก็วุ่นวายแน่นอนนะแค่ที่จอดรถก็ไม่สามารถจะรองรับได้ไม่ต้องพูดถึงที่พักนะก็มีหลายอย่างนะที่ท่านกำชับเอาไว้นะพวกเราก็พยายามทำตามกันไปทีละอย่างสองอย่างนะที่เกี่ยวเนื่องกับการเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับเวลา วันมะลืนนี้นะก็จะย้ายนะนะย้ายสรีรัตน์ท่านไปที่ศาลาใหญ่นะก็จะมีเป็นที่รองรับได้มากขึ้นแล้วก็วันที่หกก็จะย้ายเคลื่อนไปนะที่เมนเลยตอนบ่ายตอนนี้ก็กำลังมีการเาคลียร์พื้นทีนะ่รอบเมนอยู่ ก็ได้ทำกัไปสองวันแล้วนะแต่ว่ายังไม่เสร็จดีวันนี้ถ้าหากว่าพระเรานะรวมแรงรวมใจกันไปอีกอีกวันหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเสร็จได้นะเพราะนันก็ขอนิมนต์ด้วยนะขอแรงนะพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติโยมด้วยนะใครที่มีกำลังมีเวลาแล้วก็มีน้ําใจนะก็ไปช่วยกันสาสางนะทำความ ทำให้พื้นที่มันพร้อมจะรองรับคนได้เป็นพันนะสองสามพันคนขึ้นไปรถก็จะออกประมาณ9โมงนะจากสุกโตใครพร้อมก็มาเตรียมตัวได้เลยนะก็ยังมีอะไรที่ต้องทำอีกหลายอย่างแต่นี่นี่เป็นงานาที่เรียกว่าใช้แรงคนเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีการจัดการกันมานานนะกิ่งไม้ หากกิ่งไม้แห้งสารพัดรวมทั้งใบไม้นี่ก็เยอะยะไปหมดนะก็ทำให้ไม่สามารถจะมีพื้นที่มากพอที่จะให้คนมานั่งหรือว่ายืนได้ก็ไม่รู้ว่างานนี้จะจะมีคนต้องยืนกันเท่าไหร่เพราะว่าแค่เก้าอี้นี้เตียมไว้สองพันเก้าอี้ก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะที่เหลือไอต้องยืนกันนะ แล้วก็เป็นการประหยัดเนื้อที่ไปด้วยเพราะว่าพื้นที่รอบๆเมรินก็ไม่ได้กว้างอะไรเพราะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะต้องมารับรองงานที่จะมีคนมามากมายขนาดนี้นะท่นานใครที่ช่วยกันได้คนละไม้คนละมือนะตามกําลังความสามารถนะก็ช่วยได้ซึ่งก็น่ายินดีนะพะมีหลายคนมาอาสาเองเลยบางคนบอกว่าจะมาอาสา ทำดอกไม้ให้จัดแต่งดอกไม้ให้บางคนก็อาสาจะาหาเก้าอี้มาให้หาพัดลมมาให้บางคนก็อาสาว่าจะมาออกโรงทานบางคนก็อาสาว่าจะม า, าทำดอกไม้จันทร์ถวายนะบางคนก็บอกว่าขอรับผิดชอบหนังสือที่พิมพ์งานศพนะก็กลายเป็นว่าต้องแบ่งๆกันไปนะเพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในบุญนี้กันทวนหน้า ส่วนพวกเราที่ไม่มีไม่มีเงินทุนก็มาร่วมแรงกันอันนี้ก็จะได้บุญมากกว่านะร่วมแรงใช้แรงกลายของเราหรือว่าฝีมือด้วยก็ได้แล้วก็เท่านี้แหล ะ, ะเตรียมรับพร